จเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาที่หพระสภาคมพุทธศากราช2550เป็นวันที่ท่านได้ตั้งใจ มาวัดเพื่อมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้รู้จริงเห็นจริงที่ได้ทรงคอยเดือนพวกเราให้มันทำประโยชน์ ทางของตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเนื่องจากเวลาคือชีวิตของพวกเรามีเวลาที่ไม่แน่นอนไม่รู้ว่าชีวิตจะหมดไปเมื่อไหร่เพราะเมื่อหมดไปแล้วโอกาสที่จะ ทำประโยชน์ก็จะหมดไปทรงเห็นว่าการทำประโยชน์ที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองซึ่งจะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงต้องอยู่ในฐานะของมนุษย์เท่านั้นที่จะทำได้ เพราะถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วก็จะไม่ได้ทำประโยชน์ที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้อยู่พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ถ้าเกิดเป็นเดรัจฉานก็ไม่สามารถที่จะทำบุญทำกุศลได้ถ้าเป็นเทพเป็นพรหมก็มีโอกาสน้อยมาก ที่จะได้ทำบุญทำกุศลหรือถ้าไปตกนรกก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญทำกุศลเช่นเดียวกันมีพบชาติของมนุษย์เท่านั้นที่มีโอกาสมีสมรรถภาพมีผู้ที่จะคอยสอนคอยบอก ให้ทำบุญทำกุศลอยู่ตลอดเวลาแต่ชีวิตของคนเรามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ทราบว่าจะหมดไปเมื่อไหรยจึงต้องอย่าตั้งอยู่ในความประมาทคือต้องพยายามรีบทำเสียในขณะที่มีเวลาว่าง เช่นวันที่เราไม่ต้องไปทําภารกิจการงาน <c oughs> ไปเรียนหนังสือมีเวลาว่างแทนที่จะใช้เวลาว่างนี้หมดไปกับเรื่องไร้สาระเรื่องที่ไม่ได้สร้างคุณสร้างประโยชน์สร้างความเจริญให้กับจิตใจ <c oughs> เช่นการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปหาความสุข จากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะต่างๆจะไม่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราเพียงแต่ให้ความเพลิดเพลินและให้ความสุขในขณะที่ได้สัมผัสแต่หลังจากนั้นก็ปล่อยให้จิตใจมีความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวมีความอยากมีความต้องการ ไม่ได้สร้างความอิ่มสร้างความฟอให้กับจิตใจเลยพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรา <c oughs> ลดละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วให้มาหาความสุขจากการ <c oughs> ทำบุญทำกุศลเพราะ จะทำให้จิตใจสูงขึ้นดีขึ้นและทำให้มีความอิ่มมีความพอเป็นการกระทำที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจต่างๆได้ถ้าเราไปทำอย่างอื่นเราก็จะต้องวนเวียนอยู่กับความทุกข์ความรุ่มร้อน ความวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิ้นต่อให้เรามีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตามเราก็ยังต้องวนเวียนอยู่กับความทุกข์ความรุ่มร้อนความวุ่นวายของจิตใจอยู่เสมอ แต่ถ้าเราได้ทำบุญ <c oughs> ทำกุศลตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใจของเราก็จะมีความล่มเย็นมีความสุขมีความสบายมากขึ้นมีความทุกข์มีความรุ่มร้อนมีความวุ่นวายใจน้อยลงไปตามลำดับจนไม่มี หลงเหลืออยู่เลยในจิตใจเช่นเดียวกับใจของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้บงเพ็ญบุญและกุศลอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยัง้งจนในที่สุดบุญกุศลก็ได้ทำให้จิตใจของท่านหลุดพ้นจากความทุกข์จากความ รุ่มร้อนจากความวุ่นวายใจไปทำให้จิตใจของท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มและความพอเพราะใจได้รับการดูแลอย่างถูกต้องนั่นเองได้รับอาหารได้รับสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์แทนที่จะได้รับยาพิษเหมือนกับที่พวกเรากำลังให้ใจของเราอยู่ การแสวงหาเงินหาทองหาตำแหน่งหาสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้เป็นการให้อาหารให้สิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับใจแต่เป็นการให้ยาพิษเป็นการให้สิ่งที่จะทำให้ใจต้อง มีความทุกข์มีความรุ่มร้อนมีความวุ่นวายใจอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้เพราะเรายังไม่หยุดการให้อยากพิษกับใจของเราเพราะเรายังอยากที่จะร่ํารวยอยากที่จะมีตําแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์อยากจะให้คนสรรเสริญยกย่องอยากจะหาความสุข จากการไปดูไปฟังไปลิ้มรสไปดมกลิ่นไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆทางทางร่างกายเพราะ <c oughs> สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นอาหารไม่ได้เป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจแต่เป็นโทษ <c oughs> เป็นยาพิษความทุกข์ของเราจึงไม่มีจึงไม่หมดไปสักที บทจากความทุกข์เรื่องนี้ก็มีความทุกข์เรื่องใหม่ตามมาอยู่เรื่อยๆดังนั้นเราต้องพยายามสร้างบุญสร้างกุศลให้มากขึ้นเรื่อยๆเท่าที่เราจะทำได้บุญและกุศลนี่แหลเป็นสิ่งที่เราเพึ่งพาอาศัยได้เป็นที่หลบทุกข์หลบภัยได้ ทางด้านจิตใจถ้าเรามีบุญกุศลเราก็จะมีสิ่งปกป้องคุ้มครองรักษาใจของเราไม่ให้ถูกความทุกข์ความวุ่นวายใจมาเหยียบย่ำทำลายเราจึงควรให้ความสนใจต่อการทำบุญทำกุศลอยู่เสมอ ซึ่งมีอยู่หลายหลายขั้นหลายหลายวิธีด้วยกันท่านแรกท่านก็สอนให้ทำทานคือการให้ทานนั้นก็มีหลายชนิดด้วยกันทานที่เราให้กันอยู่เป็นประจำคือกับข้าวกับปลาอาหารข้าวหวนันเครื่องใช้ไม้สอยเงินทองเรียกว่า วัตถุทานทานแปลว่าการให้วัตถุคือสิ่งที่เราให้วัตถุทานก็คือการให้วัตถุนั่นเองแล้วเราก็มีวิทยาทานคือการให้ความรู้แก่ผู้อื่นเรามีความรู้ความสามารถอะไรที่เราพอที่จะแบ่งให้ผู้อื่นสอให้ผู้อื่นได้ โดยไม่คิดสิ่งไม่ไม่คิดเงินทองไม่เรียกค่าตอบแทนการให้นี้ต้องให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจคือไม่เรียกร้องไม่เอาอะไรเป็นเครื่องตอบแทนถ้ามีสิ่งตอบแทนจากการเรียกร้องของเราก็ไม่เป็นทานเป็นพาณิชย์เป็นการค้าขายไปดังนั้นเวลาเราให้อะไรเราต้องให้โดยที่เราไม่หวัง สิ่งตอบแทนจากผู้รับให้วิทยาทานแล้วก็ให้อภัยทานอภัยทานคือการให้อภัยการยกโทษการไม่จองเวรจองกรรมต่อผู้ที่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับเรา และประการสุดท้ายคือการให้ธรรมะธรรมทานธรรมะก็คือก็ะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรารู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพอที่จะแบ่งให้กับผู้อื่นได้สอนให้กับผู้อื่นได้ถ้าเรามีโอกาสเราก็สอนเขาไปแต่การสอนนั้นต้องระวัง อย่าเป็นการไปรยติเยียดให้กับผู้อื่นต้องให้เขามีความต้องการก่อนถึงจะเกิดประโยชน์ถ้าเขาไม่มีความต้องการเราไปสอนเขาก็จะเสียเวลาไ ป, ปเปล่าๆเหมือนกับเทน้ำใส่ภาชนะที่ไม่ได้หงายขึ้นเทลงไปมากน้อยเพียงไรน้ำก็จะไม่ อยู่ในภาชนะนั้นได้เลยจันใดใจของผู้ที่ไม่สนใจที่จะรับฟังคำสอนของเราเราก็ไม่ควรที่จะไปสอนให้เสียเวลาเพราะจะทำให้เขาเบื่อหน่ายและเขาจะต่อต้านสิ่งที่เราพูดนี่คือทานมีอยูส่สีชนิดด้วยกัน คือวัตถุทานวิทยาทานอภัยท า, านและธรรมทานถ้าเราทำไปแล้วก็จะทำให้ใจของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขมีความสูงขึ้นเจริญขึ้นผู้ให้ผู้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นนั้นย่อมเป็นผู้ที่สูงกว่าผู้ที่ไม่ได้ให้ หรือผู้ที่ให้ความทุกข์กับผู้อื่นเราวัดกันที่ตรงนี้วัดกันตรงที่ว่าเราให้ความสุขกับผู้อื่นได้มากน้อยเพียงไรเช่นเราถือพ่อแม่ของเรานี้สูงกว่าเราเพราพ่อแม่ของเราให้ความสุขกับเรามากกว่าที่เราให้ความสุขกับพ่อแม่พ่อแม่จึงสูงกว่าเรา เรามีแต่ให้ความทุกข์กับพ่อแม่เพราะเรามักจะชอบทำอะไรตามความหลงตามความอยากของเราซึ่งมักจะไปเกิดเป็นโทษขึ้นมาพ่อแม่เคยผ่านเรื่องเหล่านี้มาก่อนแล้วจึงคอยสอนคอยเตือนคอยบอกให้เรารู้ไว้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องไป เผชิญกับปัญหาไ ป, ปเผชิญกับความทุกข์ต่างๆแต่เราก็มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเชื่อฟังพ่อแม่เท่าไหร่เพราะเราชอบฟังตามความอยากตามความหลงของเราเมื่อเราไปทําแล้วเกิดโทษเกิดความเสียหายขึ้นมาเราก็สร้างความทุกข์ให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราถ้าเราอยากจะให้ คุณพ่อคุณแม่ของเรามีความสุขเราก็ต้องให้ความเชื่อเราก็ต้องเชื่อฟังท่านถ้าสิ่งที่ท่านสอนนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่งามที่ถูกต้องที่จะป้องกันไม่ให้เราไปตกทุกข์ได้ยากที่จะส่งให้เราไปสู่ความสุขและความเจริญเราก็ควรที่จะเชื่อฟังท่าน อย่างนี้ก็เป็นการให้เหมือนกันคือให้ความเคารพให้ความเชื่อฟังแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นทั้งกับตัวเราเองและกับผู้อื่นนี่ก็เป็นหนึ่งในบุญที่เราสามารถทำกันได้บุญประการที่สองที่เราสามารถทำกันได้ก็คือศีลคือการตั้งอยู่ในความเรียบร้อยดีงามของกายและวาจา ไม่ไปทําอะไรที่จะไปเบียดเบียนสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น <c oughs> คือเราต้องละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต <c oughs> ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดปรเวณีละเว้นจากการพูดปดมดเท็ดและละเว้นจากการเสพสุรายาเมางถ้าเราสามารถรักษา ศีลทั้งห้าข้อนี้ได้เราก็จะอยู่อย่างปลอดภัยไม่มีปัญหาต่างๆ ต, ตามมาเราจะอยู่อย่างสบายอกสบายใจเพราะจะไม่มีใครมาจับเราไปลงโทษไม่มีใครจะประนามเราได้มีแต่คนจะยกย่องสรรเสริญว่าเราเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์สุดจริญ เราทําแล้วก็จะทําให้เรามีความสุขใจประการที่สามท่านสอนให้เราภาวนาคือให้พัฒนาจิตใจให้สงบมากยิ่งขึ้นไปนอกจากการให้ทานรักษาศีลแล้วความสงบที่มากกว่านี้ยังมีอยู่คือความสงบที่จะได้จากการภาวนาการภาวนาก็มีอยู่สอง ขั้นด้วยการขั้นแรกเรียกว่าสมถภาวนาทําจิตใจให้สงบขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาทําจิตใจให้ฉลาดรู้ทันความหลงที่คอยหลอกให้เราไปสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราการทําสมถภาวนาก็คือการกําหนดจิตให้อยู่กับ <c oughs> อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อให้จิตสงบนิ่ง ไม่ให้จิตไปคิดอะไรเหมือนกับผูกจิตไว้กับอารมณ์นั้นถ้าจิตเป็นเหมือนกับลิงอารมณ์ที่เราใช้ผูกจิตก็เป็นเหมือนกับเสาเราหาเชือกมาผูกลิงไว้กับเสาลิงก็ไม่สามารถที่จะไปเพ่นพ่านไปเที่ยวไปเล่นไปสร้างปัญหาอะไรต่างๆได้เมื่อมันไม่สามารถไปไหนได้ มันก็จะสงบนิ่งจะนั่งอยู่เฉยๆในเบื้องต้นมันอาจจะต่อสู้เพราะมันไม่เคยมันชอบไปไหนมาไหนพอเราผูกมันไว้มันก็พยายามดิน้นแต่ถ้าเชือกที่เราผูกไว้นั้นเป็นเชือกที่แข็งแรงกว่ากำลังของลิงที่จะทำให้เชือกนั้นขาดไปได้ เดี๋ยวมันดิ้นไปสักระยะหนึ่งมันก็จะเหนื่อยหมดแรงเมื่อหมดแรงแล้วมันก็จะนั่งอยู่เฉยๆไม่ดิ้นอีกต่อไปใจของเราก็เป็นเหมือนลิงปกติแล้วมันมันจะไม่อยู่เฉยๆมันชอบไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆคิดไปแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาคิดไปแล้วก็เกิดความนุ่มร้อนเกิดความอยากเกิดความต้องการ แล้วก็ไปทำสิ่งต่างๆไปมีเรื่องมีราวมีปัญหาต่างๆยังไม่รู้จักจบจากสิ้นแต่ถ้าจิตมันสงบนิ่งเฉยๆได้เช่นเหมือนเช่นในขณะนี้จิตของพวกเราก็สงบอยู่ในระดับหนึ่งสามารถนั่งอยู่เฉยๆฟังธรรมะได้ก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนไปทำอะไรให้แก่ผู้อื่นต้องวุ <c> ่น <oughs> ต้องลาบากลาบน ตัวเราเองก็ไม่ต้องลำบากลาบนเรานั่งอยู่เฉยๆเราก็มีความสุขแ ต, แต่แต่จะทำให้มันนิ่งอย่างเต็มที่โดยที่ไม่คิดอะไรนั้นเราต้องมีอารมณ์คือเสาวไว้ผูกจิตแล้วมีเชือกเชือกที่จะผูกจิตไว้กับอารมณ์ก็คือสติเราต้องมีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นเรากำหนด ให้เราจิตของเราอยู่กับบทสวดมนต์เช่นเราสวดอรหังสัมมาไปเราก็ต้องมีสติรู้อยู่กับการสวด ร, รู้ว่าเรากําลังสวดอรหังสัมมาอยู่ไม่ได้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ <c oughs> เพราะถ้าเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วสวดไปนานสักเท่าไหร่ก็จะไม่ทําให้จิตสงบเหมือนกับไม่ได้สวดถ้าอยากจะทําให้จิตสงบ ต้องสวดไปโดยที่ไม่ไปคิดอะไรอย่าปล่อยให้ใจนั้นดิ้นไปออกจากการสวดมนต์ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ต้องมีสติคือต้องรู้ต้องเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาขณะที่สวดต้องรู้ว่าก็ตอนนี้กําลังสวดมนต์อย่างเดียวไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วจิตก็จะค่อยๆสงบตัวลงไปเรื่อยๆจน สงบลงไปเต็มที่จิตก็จะ <c oughs> นิ่งเฉยไม่คิดอะไรเมื่อถึงตอนที่ถึงตอนนั้นแล้วการสวดมนต์ก็ไม่มีความจำเป็นต่อไปก็จะหยุดสวดไปโดยปริยายเหมือนกับการรับประทานอาหารขณะที่รับประทานอาหารยังไม่อิ่มเราก็รับประทานไปเรื่อยๆพออิ่มแล้วเราก็หยุดรับประทานไป ยันใดพอจิตสงบแล้วตอนนั้นจิตก็อิ่มจิตก็พอจิตก็หยุดคิดหยุดปรุงก็หยุดสวดมนต์ไปมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องถามว่าจะหยุดได้เมื่อไหร่ถ้าจิตยังไม่หยุดเราก็ต้องสวดไปเรื่อยๆก่อนพอถึงเวลามันหยุดแล้วมันจะนิ่งไปเองมันจะวูบลงไปแล้วมันจะสงบ เราจะเกิดความสุขเกิดความสบายขึ้นมานี่คือสมถภาวนาการทำจิตใจให้สงบต้องไม่ไปคิดเรื่องอะไรทั้งสิน้นหลังจากที่เราออกจากความสงบนี้แล้วจิตเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านก็สอนให้เราภาวนาขั้นต่อไปเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาคือแทนที่จะปล่อยให้ใจเราไปคิด ด้วยเปื่อยเหมือนที่เราเคยคิดมาก่อนเราต้องบังคับจิตให้คิดในเรื่องที่จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาทำให้เราฉลาดให้รู้ทันโลกให้รู้ทันความหลงที่คอยหลอกให้เราไปหาความทุกข์มาใส่ใจสิ่งที่เราต้องสอนใจอยู่เสมอก็คือสอนใจให้รู้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญสุขก็เป็นอนิจจังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีได้มาแล้วก็มีเสียไปมีเจริญแล้วก็มีเสื่อม ถ้าเราไม่รู้ทันถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นอนิจจังเวลาเราได้มาเราก็จะดีอกดีใจแล้วก็จะหลงยึดติดอยู่กับสิ่งที่เราได้มาไม่อยากให้สิ่งที่เราได้มานั้นจากเราไป <c oughs> แต่พอถึงเวลาที่เขาจะต้องจากเราไปเพราะเขาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงพอเขาจากเราไปเราก็ร้องผมร้องอ้าย ถ้าเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าก่อนว่าสิ่งที่เราได้มาสักวันหนึ่งต้องจากเราไปเราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้พอเขาจากเราไปเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่ทุกข์ไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะเราไม่ได้ยึดไม่ได้ติดกับเขาไว้นั่นเอง <c oughs> เหมือนกับสิ่งที่เรายืมมาเรารู้ว่าเราต้องคืนเจ้าของเขาไป พอถึงเวลาที่ต้องคืนเราก็ไม่ร้องห่มร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจฉ <c oughs> ันใดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ <c oughs> ก็เป็นเหมือนกับของที่เรายืมมา <c oughs> เราต้องรู้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องคืนเขาไปแม้แต่ร่างกายของเราก็เป็นเนเป็นเช่นเดียวกันมันจะต้องกลับคืนสู่เจ้าของเดิม <c oughs> คือกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปสักวันหนึ่ง ไม่ช้าก็เร็วเราจึงต้องพยายามตัดให้ได้ในความยุดติดเหมือนกับเราไม่ยึดติดร่างกายของคนอื่นชั้นใดร่างกายของเราเราก็อย่าไปยึดติดถ้าเราไม่ยึดติดแล้วเวลาร่างกายเป็นอะไรเราใจของเราจะไม่เดือดร้อนเหมือนกับร่างกายของคนอื่นเวลาเป็นอะไรไปเราก็ไม่เดือดร้อน <c oughs> เพราะใจของเราไม่ได้ไปยึดไปติด กับร่างกายของคนอื่นฉันใดร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเราสามารถตัดได้ปล่อยวางได้คิดว่าร่างกายของเรานี้เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นไม่ใช่ของเราถ้าคิดอย่างนี้แล้วเวลามันอะไรจะเกิดขึ้นกับมันเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ร่มไม่วุ่นวายใจเราจะรู้สึกเฉยเฉยสบายใจนี่คือความหมายของวิปัสสนาเราต้อง ศึกษาต้องสอนใจให้รู้ทันความจริงของสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่ใจมาสัมผัสมาเกี่ยวข้องด้วยเช่นร่างกายของเราหรือลาบยศสารสนสุขต่างๆล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันจึงไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะมันสร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าเราไปหลงยึดติดกับมันเราจึงต้องอยาเราจึงอยาไปหวัง หาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ให้มาหาความสุขจากการปล่อยวางหาความสุขจากการทำจิตใจให้สงบเพราะนี่คือความสุขที่แท้จริงไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีความทุกข์ตามมาความสุขในใจของเราถ้าเราทำจนมันมีอยู่เต็มในหัวใจแล้วมันจะไม่เสื่อมมันจะไม่หมดมันไม่เป็นอนิจจามันไม่เป็นทุกข์ มันเป็นของเรามันเป็นของที่จะอยู่กับใจไปตลอดดังนั้นเราจึงต้องสอนใจอยู่เรื่อยๆพอเราออกจากสมาธิแล้วเราต้องคอยสอนใจว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นความสุขที่แท้จริงไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นตัวเราสอนไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเราจะได้ไม่ไปหลงอยากได้สิ่งต่างๆ เพราะเราสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีอะไรยกเว้นปัจจัยสี่ที่มีความจําเป็นต่อ ก, อการดํารงชีพเท่านั้นเองเราก็หามาเท่าที่จําเป็นหาปัจจัยสี่มาแต่เราไม่ต้องไปหาสิ่งอย่างอื่นมาเพราะมันจะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเรานี่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเราต้องทําสลับกับ สมถภาวนาเวลาทำสมถาภาวนาก็อย่าไปคิดอะไรเลยพยายามทำจิตให้นิ่งอย่างเดียวแต่เวลาจเจริญวิปัสสนาก็ต้องคิดคิดแต่คิดให้ในใ น, ในสิ่งที่ถูกคิดในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าอะไรทั้งนั้นอยู่รอบตัวเรานี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้น สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่เรามีอยู่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นถ้าเราปล่อยวางได้แล้วเราจะสบายใจอะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่จะไม่ทำให้เราต้องทุกข์ต้องเดือดร้อนเลยจะทำให้เรามีแต่ความสุขความสบายใจอยู่ตลอดเวลานี่คือนี่คือ บุญกุศลที่เราสามารถทำกันได้อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าภาวนานอกจากนั้นท่านก็สอนให้เราทำบุญด้วยการอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลเวลาเราทำบุญแล้วเราก็มีบุญที่จะอุทิศให้กับผู้ล่วงรับไปได้พอเราทำเสร็จเราก็อุทิศไปการอุทิศก็อุทิศได้สองแบบ ก็จะใช้น้ำเทไปแล้วก็ล้ำลึกถึงบุคคลที่เราต้องการที่จะอุทิศให้ก็ได้หรือไม่ต้องใช้น้ำก็ได้เพียงล้ำลึกอยู่ในใจของเราขอให้บุญส่วนนี้ที่เราทำในวันนี้ให้แก่ผู้นั่นผู้นี้ไปเขาก็ได้รับเหมือนกันคืออุทิศแบบน้ำแบบเปียกก็ได้หรืออุทิศแบบแห้งก็ได้ความจริงแล้ว การอุทิศที่แท้จริงนั้นไม่จําเป็นต้องใช้น้ําอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่เราระลึกถึงเราตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงว่าถึงคนนั้นคนนี้ที่ล่วงลับไปแล้วและเราปรารถนาที่จะให้เขาได้รับผลบุญอันนี้เราก็คิดไปในใจรละลึกไปในใจถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับนี่เรียกว่าบุญที่เกิดจากการอุทิศ ทุกครั้งที่เราทำบุญเราก็ควรที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปบุญอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นการรับใช้ผู้อื่นนั้นก็ทำให้เรามีความสุขและทำให้ผู้ที่เรารับใช้มีความสุขเพราะคนที่เขาเดือดร้อนลำบากลำบนไม่สามารถช่วยตัวเลือช่วยเหลือตัวเขาเองได้ก็ต้องอาศัยคนอื่นคอยช่วยเหลือ เช่นบิดามารดาของเราเวลาที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่ท่านมีอายุมากไม่สามารถที่จะดูแลตัวเอง mm hmm. ก็ต้องให้เราที่เป็นลูกนี้คอยเลี้ยงดูท่านคอยรับใช้ท่านกานได้รับใช้บิดามารดาก็เท่ากับการได้รับใช้พระอรหรันต์พระบิดามารดาเรานั้นมีคุณมีคุณกับเรามาก ถ้าไม่มีบิดามารดาเราก็ไม่สามารถที่จะเกิดมาเป็นตัวเป็นตนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้บุญคุณของคุณพ่อคุณแม่จึงมีมากจนที่เราไม่สามารถที่จะชดใช้ได้หมดการได้ชดใช้บุญคุณด้วยการรับใช้ท่านจึงทำให้เราได้ทาบุญมากเราไม่ต้องไปวิ่งหาพระอรหันต์นอกบ้านเรามีพระอรหันต์อยู่ในบ้านของเราแล้ว กอนที่เราจะไปทำบุญกับพระอรหันต์นอกบ้านขอให้เราทำบุญกับพระอรหันต์ในบ้านของเราก่อนดูแลพระอรหันต์ในบ้านคือพ่อแม่ของเราให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยไปทำบุญกับพระอรหันต์ข้างนอกบ้านต่อไปนี่คือการบุญที่แรกเกิดจากการรับใช้ผู้อื่นประการต่อมาบุญที่เกิดจากการมีความ อ่อนน้อมถ่อมตนการที่เราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนก็จะทําให้เราเป็นคนน่ารักผู้อื่นเขาก็มีความสุขเวลาเราเจอเขาเจอเราเราก็มีความสุขเพราะจะมีคนคอยชื่นชมยินดีเรานั่นเองต่างกับคนที่ไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็นคนที่ไม่มีใครชื่นชมยินดีมีแต่คนรังเกียจ ตนเองก็ไม่มีความสุขไปไหนก็มีแต่คนคนรังเลี่ยจ น, นั้นเราต้องทําตัวของเราให้อ่อนน้อมถ่อมตนเอาไว้จะทําให้เรามีความสุขอาการต่อมาบุญก็ที่เกิดจากการจากการฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างในวันนี้เราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็ได้ความรู้เราก็ได้ สิ่งที่จะทำให้จิตใจของเราสงบนุ่มเย็นเป็นสุขเพราะจิตของเราเมื่อรู้แล้วก็จะได้ไม่หลงเมื่อไม่หลงก็ไม่เกิดความอยากก็ไม่เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความเครียดต่างๆขึ้นมาพอรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความสงบอยู่ที่การทำความดีอยู่ที่การทำบุญ อยู่ที่การฟังเทศฟังธรรมอย่างที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้ฟังไปเรื่อยๆแล้วใจของเราจะมีความสุขเพราะธรรมะจะฉโลมจิตใจให้เย็นให้สุขให้สบายนั่นเองนี่คือบุญที่เกิดจากการฟังธรรมและบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะกับผู้อื่นเมื่อเราฟังเทศฟังธรรมวันนี้ไปแล้ว เรามีความรู้ถ้ามีใครเขาถามว่าวันนี้ไปฟังธรรมะมาได้มีอะไรบ้างถ้าเราพอจะจำได้เราก็เอาไปบอกผู้อื่นเขาถ้าเขาสนใจเขาก็จะได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมะจากเราอีกต่อห น, นึ่งเราก็จะได้ความสุขจากการที่ทำให้เขาฉลาดขึ้นทำให้เขามีความสุขมากขึ้น นี่คือบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นและบุญอีกประการหนึ่งประการสุดท้ายคือบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะทําในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อทําในสิ่งที่ถูกต้องเราก็จะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขไม่มีโทษต่าง ม, มา ถ้าเรามีความเห็นผิดเราก็จะไปทำในสิ่งที่ผิดสร้างความทุกข์สร้างโทษให้กับตัวเราอย่างวันนี้เราเห็นแล้วว่าสิ่งความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ที่การทำความดีไม่ได้อยู่ที่การแสวงหาลาบยศเสริญสุขถ้าเราทำตามที่เราได้ยินได้ฟังมา เราก็จะได้รับความสุขได้ความเจริญได้ความอิ่มและความพอนี่คือความเห็นที่ถูกต้องจะทําให้เราได้พบกับความสุขที่ประเสริฐที่สุดเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้สัมผัสได้พบกันเกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่า บุญกุศลนี้เท่านั้นที่จะพาเราไปสู่ความสุขและความเจริญที่แท้จริงอย่างนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญต่อการทำบุญทำกุศลอย่างสม่ำเสมอมีเวลาว่างตอนไหนก็ให้รีบทำเสียเพราะเวลาของเรามันไม่แน่นอนจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ เหมือนคเหมือนสุภาษิต ท, ที่พูดไว้ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักฉันใดชีวิตของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ก็เป็นเหมือนน้ำกำลังขึ้นอยู่เรามีโอกาสที่จะทำบุญทำกุศลได้อย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้สำหรับเราก็ได้ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ประมาทแล้วเราเรีบทำเสียแต่วันนี้ ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้รับประโยชน์เต็มที่หรือถ้ายัางไม่ได้รับเต็มที่เราก็จะสามารถมีบุญมีกุศลไว้ดูแลเราไปเรื่อยๆส่งเสริมเราไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้รับบุญรับกุศลได้อย่างเต็มที่ถึงการทำบุญตั้งแต่วันนี้ไปจึงเป็นสิ่งที่ไม่เสียไม่เสียประโยชน์ มีแต่ได้อย่างเดียวจึงขอฝากเรื่องการทำบุญสร้างกุศลให้ท่านได้นำไปพิจิพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยมีพระพุทธประธานพระสงฆ์